ลักษณะการบอกห้ามพระทหารที่ชื่อว่าบอกห้ามพระทหารแล้วคือหนึ่งภิกษุณีกำลังฉัน 2. ทายกนำโพชนะมาถวายสทายกอยู่ในหัตถบาทน้อมถวายสภิกษุณีบอกห้ามที่ชื่อว่าของเขียวคือยกเว้นโพชนะห้าข้าวต้มยามะกาลิกสัตตาหากาลิกและยาวชีวิกนอกนั้นชื่อว่าของเขียวที่ชื่อว่าของฉันได้แก่ โภชนะห้าอย่างคือข้าวสุก ข, ขนมสดข้าวตูปลาเนื้อพิกษณีรัรบประค์ด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอบัตทุกกฏฉันต้องอบัดปารจิตีทุกๆคำกลืน